ไม่ใช่พอเอาโรกเรื่อนเข้ามาบวชนิ้วก็าขาดหูก็ด้วนอะไรอว้ยวะทุกอย่างและเห็นคนเห็นแลวคนจะมาวัดได้ยังไงม่เข้ามาสู่วัดวาสานาทั้งที่มาเพื่อกราบมาไหว้พระสงฆ์อยู่ในศีลาจรวัดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอวัยวะอาการ32สองครบบริบูรณ์มีสติมีปัญญา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 ทำไมไม่บอกเขาลูกาสาวลูกชายตะแก่ก่อนมาเกิดตะแก่ไม่ดูก่อนเลยไม่ดูเหรอว่าพ่อแม่นี่ยากจนกูในี่ยากจนสู้ได้ดูไหมก่อนที่จะมาเกิดถ้าสู้รู้แล้วว่ากูจนสู้เสือกมาเกิดทำไมหลวงพ่อว่างันนะทาไมไม่ไปเกิดที่อื่นในโลกนี้มีตแตะแยะที่รวยๆทำไมไม่เกิด